เรื่องปฐมโพธิการพระศัสดาประทับนั่งนักขวงไม้โพธิพฤกษงเปล่งอุทานด้วยสามารถเบิกบานพระหฤทยัยตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอเนกาชาติสังสารังเป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหลประทับนั่งนักขวงไม้โพธิพฤกษเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงคต ทรงกำจัดมารและพลแห่งมารในปฐมยามทรงทำลายความมืดที่ปกปิดด้วยปุเพนิวาสยานในมัชิมายามทรงชำระที่ประจักขูให้หมดจดแล้วด้วยจุดูปปาตยานในปัจฉิมายามทรงอาศัยความกรุณาในหมูสัตว์ทรงอย่างพระยานลงในปัจจยาการคือปฏิจจสมุปบาทส2องแล้วทรงพิจารณาปัจจัการนั้น ด้วยสามารถแห่งอนุโลมปฏิโลมคือย้อนกลับไปกลับมาในเวลาอารุณขึ้นทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมด้วยอัศจรรย์หลายอย่างจึงได้ตรัสเป็นพระคาถาว่าเราสแสวงหาช่างผู้ทาเรือนเมื่อไม่ประสบจึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนกความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์น่ในช่างผู้ทาเรือน เราพบท่านแล้วท่านจะทําเรือนอีกไม่ได้สิโครงทุกซี่ของท่านรอหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงธทำปราศจากเครื่องปรุงแล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้วอธิบายคําว่าสแสวงหาในช่างผู้ทําเรือนขหะกาวรังเท่ากับในช่างผู้สร้างเรือน คือตันหาเขาเวสันโตเท่ากับสแสวงหาคือพระโพธิญาณด้วยทานศีลภาวนาสแสวงหาอยู่คือการสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีนับแสนกลับเป็นอนเนกมิใช่หนึ่งในช่างผู้ทาเรือนคือตันหาสามได้แก่การมตันหาความอยากในการมคุณทั้งห้า มีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคําว่าทุกขาชาติอุณัปุนันงชาติคือการเกิดบ่อยๆเป็นทุกบ์บ่อยๆเพราะเหตุที่ต้องเจอด้วยชาราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตาย ถ้าสแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัณหายังไม่พบก็จึงได้ท่องเที่ยวไปคือวนเวียนเกิดตายในสังสารวัฏไม่จบสิน้นคำว่าซิโครงเรือนคือกิเลสที่เหลือทั้งหมดอันเราหักเสียแล้วจักทำเรือนไม่ได้อีกคำว่ายอดเรือนคืออวิชชาแห่งเรือนคืออัตภาพนี้เราก็รื้อเสียแล้ว คำว่าจิตของเราปรสจากเครื่องปรุงแต่งแล้วคือพระนิพพานด้วยสามารถแห่งการอันกระทาความดับเย็นให้เป็นอารมณ์คำว่าบรรลุธรรมที่สิ้นตันหาแล้วคือบรรลุอรหัตคือธรรมะที่สิ้นไปแห่งตันหาแล้วจบเรื่องปฐมโพธิการดังนี้แล